คืนปล่อยผีสัมผัสสยองหลังจากที่อำภาเสียชีวิตไปแล้วเธอได้ทิ้งลูกสาวอายุหกเดือนให้ศินดูลาเมื่อศิลนได้จัดการงานศพ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 เพื่อไม่ให้วิญญาณมารังควานเอาชีวิตน้องแก้วตาไปและคนทรงยังบอกอีกว่าจะทำพิธีส่งดวงวิญญาณของงาพาให้ไปสู่สุคติไม่ให้มารบกวนอีการทำพิธีสืบชะตาและสะดอกคร้องครั้งนี้สินจะต้องใช้เงินเกือบหนึ่งหมื่นบาทสินตกลงยอมจ่ายเงินให้คนทรงและทำพิธีจนเสร็จแม้จะเป็นเงินจานวนมาก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 หัดสืบ